อยากปฏิบัติกรรมฐานไม่ต้องหนีเรียนเข้าวัดไปเจอเด็กผู้ชายอยู่ที่แปดริว้วไปพบกับพระกรรมฐาน<ๆ>เกิดเลื่อมใสหนีไปสองปีไปอย่างไม่ส่งข่าวให้พ่อแม่รู้เลยจนกระทั่งภายหลังพ่อแม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน<ๆ>ก็ไปตามเอากลับคืนมามาก็มาบอกว่าไม่รู้จะเรียนไปทำไมเดี๋ยวก็ตาย เนี่ยเขาว่าอย่างนี้อยากไปปฏิบัติกรรมฐานพ่อแม่ขอร้องให้กลับไปเรียนอีกแกก็ไม่ยอมลงผลสุดท้ายต้องมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อแนะวิธีทํามสมาธิในห้องเรียนให้หลวงตาขอร้องให้เธอไปเรียนไปเรียนขอเวลาเดือนเดียวแต่ต้องปฏิบัติตามแนวที่หลวงตาแนะนำนี้อย่างเคร่งครัดเสร็จแล้วเขาก็ยอมพอไปเรียนได้เดือนหนึ่ง กลับมารายงานตัวถ้าผมรู้แต่ทีแรกว่าเรียนหนังสือก็ปฏิบัติสมาธิได้ผมไม่ไปแล้วผมปฏิบัติตามคำแนะนำของหลวงพ่อเนี่ยมันได้ผลดีกว่าไปวิ่งตามพระเสอีกเรียนหนังสือก็ดีเวลาไปสอบพออ่านคำถามจบไม่ต้องคิดคำตอบมันโผล่ขึ้นมาเองแล้วก็ถูกต้องด้วยถ้ารู้อย่างเนี้ยผมไม่ไปซะแต่แรกแล้วหลานๆกาลังเรียนลองไปปฏิบัติดู เวลาอาจารย์มาสอนมองจ้องอาจารย์ส่งจิตไปรวมไว้ที่ตัวอาจารย์อย่าให้สายตาและจิตไปอื่นเอาแค่นี้ไม่เห็นจะยากอะไรมันมีกฎธรรมชาติอยู่ว่าอาจารย์สอนเราท่านรวมกำลังจิตและวิชาวความรู้จะถ่ายทอดให้เราถ้าเราเอาใจใส่จดจ้องเราก็ได้รับการถ่ายทอดพลังจิตและวิชาวความรู้จากอาจารย์อย่างตรงไปตรงมาอันนี้คือกฎของธรรมชาติ เรื่องนี้แม้แต่พระเจ้าพระสงฆ์ท่านก็ไม่ยอมรับประเรียนจบด็อกเตอร์จากประเทศอินเดียมาได้ยินเข้าใส่หัวถามว่าเป็นไปได้หรอทุกคนที่เรียนปริญญาจบมาแล้วได้ปฏิบัติสมาธิมาแล้วจริงจริงเช่นอย่างเวลาเราวิจัยวิชาวความรู้ของเรานี่คิดวกไปเวียนมาวกไปเวียนมาประเดี๋ยวจิตว่างลงความรู้ที่เราต้องการรู้มันโผล่ขึ้นมานั่นคือสมาธิปัญญา ถ้าใครเข้าใจอย่างนี้เรายอมรับไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งสมาธิกับหลวงพ่อหลวงพี่ที่วัดทํามันอยู่กับงานนั่นแหละการทำการพูดการคิดเอาสติตัวเดียวเวลานอนลงไปจิตมันคิดปล่อยให้มันคิดไปเอาสติกําหนดตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับปฏิบัติต่อเนื่องไปอย่างนี้ได้สมาธิแน่นอนถ้าอยากจะให้สมาธิมันดีขึ้น เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์สะอาดกายวาจาและใจศีลห้าข้อเท่านั้นเป็นหลักอย่าไปกังวลสิ่งอื่น